สองวันที่ผ่านมามีคนรู้จักรหรือว่าบุพการียางคนรู้จักนะจากไปได้เรียกกันภายในวันเดียวก็สามคนนะก่อนนั้นนัน้นก็มีคนรู้จักนะก็จากไปนะที่จากไปเมื่อสองวันก่อนนะคนหนึ่งก็เป็นพระ ก็คือหลวงพ่อณรงค์นะท่านก็เคยมาจำพรรษาที่นี่ก็ไม่เดกมาจำพรรษานะมาอยู่ประมาณปีสองเก้าแล้วก็ตาลางก็ไปจำพรรษาที่ภูหลงกับท่านอาวุธนะประมาณสองสปีนะภูหลงตอนนั้นนี่มันกันดานนะสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีแต่ท่านก็อยู่ได้เป็นปี ที่มาบวชก็เพราะว่าสุขภาพย่ำแย่นะทำให้ต้องหลอกจากงานแล้วก็มาบวชก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองก็ถึงต่อเนื่องมาสามสิบนปะีก็เพิ่งมรณาภาพไปอาอยุก็ราวทุกเจ็ดสิบกว่าวันนี้ก็จะไปอะขอรบศพ่าน อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะอายุก็สักสีได้เพิ่งมารู้จักเมื่อตอนต้นปีนี้เพราะว่าเธอไม่สบายเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่สมองแล้วก็เพื่อนก็แนะนำให้รู้จักเพราะเธอเป็นหลานของเพื่อนอคนนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่า mm. ทั้งที่เป็นมะเร็งสมองแล้วก็พา มาแล้วสองครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรเกี่ยวกับชีวิตของตัวมากนักอาการแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วแต่เธอก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงได้สามีทางห่างที่ทำใจได้ยากนะตัวคนป่วยพร้อมที่จะเผชิญกับความตาย แต่ก็มีความหวังว่าจะรักษาให้หายได้หรือว่ า, าช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ก็รักษาไปขณะเดียวกันก็เตรียมใจไปด้วยเตรียมตัวรับความตายาเธอกับสามีก็ไปอบรมนะการประชิญความตายสงบเทตา ม, มาเป็นคน เป็นวิทยากรคนหนึ่งเมื่อสีห้าเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นก็สุขภาพก็ทรุดลงนะแต่ว่าก็มีกำลังใจดีแต่ว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วนะมะเร็งก็ลามถึงกระดูกสันหลังทำให้เดินไม่ได้นะตรงนี้เรียกว่า แย่เลยนะพอเดินไม่ได้เดินแล้วปวดเนี่ยสันหลังนี่มันก็เป็นแหล่งรวมของเส้นประสาทนะพอมาเร็งมันลามเข้าไป ก, ก็ทําให้ปวดมากมีทุกขเวทนาที่เตรียมไว้ที่ฝึกเอาไว้นี่ก็ก็แทบจะไม่ไหวนะเนี่ยเพิ่งก็มารายงานว่าเธอก็จิตตกไปเลยมีอาการหงุดหงิดอันนี้ก็ขนาดว่าได้เตรียมตัวมาอย่างดีนะ แต่ว่าพอเจอทุกขเวทนาขณะเดียวกันาการที่เดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็สร้างความทุกขให้กับจิตใจได้ไม่น้อยเลยแถมพูดไม่ได้อีกนะคนเรานี่ถ้าหากพูดได้ยากพูดไม่ได้พูดไม่เป็นคำเนี่ยเพราะว่าสมองมันได้รับการกระทบกระเทือนมากนี่ก็ยิ่งเกิดกความทุกข์ทรมานเข้าไปใหญ่ บอกอะไรใครอยากจะพูดอะไรก็ทําได้ยากนอกจากการเขียนหนังสือเขียนก็เขียนไม่ค่อยเป็นตัวนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวพันกับสมองนะก็เลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะก็ได้แนะนําให้เธอเนี่ยนะแผ่เมตตาให้กับร่างกายตัวเองมากๆนะแผ่เมตตาให้กับแม้กระทั่งก้อนมะเร็งด้วย อย่าไปโกรธเขานะอย่าไปโกรธว่าเขาทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราทุกข์ทรมานทาให้เราเป็นอย่างนี้แล้วก็อวัยวะที่เคยพึ่งพาอาศัยได้ตอนนี้มันกลับแปรเปลี่ยนไปอย่าไปมองว่าเขาทรยศกับเรานะแผ่เมตตาเขาถือว่าเขาก็พยายามเต็มที่แล้วนะตอนนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วนะรับใช้เรามานานก็ต้อง ขอบคุณเขาได้ซ้ำนะไม่ใช่ไปโกรธเขาในการแผ่เมตตาเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะมันทําให้โทสะหรือว่าความโกรธมันทุเลาเบาบางเพราะเวลาคนเราเกิดทุกขเวทนามากเนี่ยมันเกิดโทสะตามมาความไม่พอใจความหงุดหงิดความขัดเคืองเราก็จะผ่านโทษนั่นโทนนี้นะแล้วก็ยิ่งเกิดความเกลียดชังในร่างกายก็ทําให้ อยากจะตายเขาบอกคุณนว่าในที่เขาเจ็บป่วยอยู่นี่เนี่ยนะมันมีคุณค่ามันมีความหมายนะขณะที่เขากาลังเจ็บปวดมีกาลังทุกขเวทนานี่มันไม่ใช่เป็นการใช้กรรมนะขณะที่เจ็บป่วยเขายังมีโอกาสที่จะทําความดีได้ในน้อยการที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้สามีได้มาดูแลเขา เราทำให้แม่ซึ่งเทินทางกับเขาในวัยเด็กนะได้มามีโอกาสดูแลซึ่งก็ช่วยลดบรรเทาความรู้สึกผิดไปได้เยอะนะให้การที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะเป็นประโยชน์เพื่อให้คนอื่นเขาได้ดูแลเรานะแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะประโยชน์ท่านนะเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ตนยังไงนะ ก็ได้มีโอกาสนะภาวนาไปด้วยให้มาฝึกดูนะฝึกดูดูความเจ็บปวดแล้วก็ดูใจที่มันฟุ้งซ่านแสสายหรือว่าใจที่มีโทสะมันเป็นสนามสําหรับการาภาวนาได้เป็นอย่างดีนะรวมทั้งการที่ได้ม า, าได้เห็นนะธรรมะธรรมะที่ ชื่อว่าอนิจนาายยนนจังทุกขังอนัตตาในยาปกติเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันแสดงตัวไม่ค่อยชัดนะที่จริงมันก็แสดงตัวอยู่แต่มองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตอนเจ็บป่วยนี่มันแสดงให้เห็นชัดมากนะให้มองว่าเนี่ยเขากำลังสอนทําให้กับเรานะทจริงก็คล้ายๆกับที่เราสวนไม่สักครู่นะว่าบัณฑิตเนี่ยคือผู้ชี้ขุมทรัพย์นะ ไอ้ความเจ็บป่วยนี่มันก็ชี้คุ้มทรัพย์ได้เหมือนกันนะคือมันชี้โทษนะชี้โทษของกองสังขาร น, นะว่ามันเป็นทุกข์คนรอนี่ไม่ค่อยเห็นโทษของสังขารเท่าไหร่ในยามสุขสบายดนะีเห็นว่ามันเป็นแหล่งแห่งความสุขนะเป็นที่มาแห่งความสุขนะก็เพลินนะจนกระทั่งมองไม่เห็นว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างไอ้ พอเจ็บป่วยนี่แหละนะที่มันจะชี้โทษนะของสังขารหรือชี้ทุกนะของสังขารว่านี่แหละคือธรรมชาตินะนี่แหละคือความเป็นจริงก็พยายามนะชี้พยายามคุยนะเขาก็รับรู้นะเพราะว่าเขาฟังมาเยอะและ้วอ่านก็เยอะนะก็ทำให้ทำให้วางใจนะเป็นปกติได้ดีขึ้น ก็ได้มี่ยมกับพี่ยเขาสองครั้งนะแล้วก็ก็ได้ทราบจากคนที่ดูแล ว, ว่าเขาก็สามารถจะประคองใจได้ดีความหงุดหงิดนะก็หายไปนะมีน้อยมากระหว่างที่เจ็บป่วยนะเจ็บปวดเนี่ยก็อาศัยยาบรรเทาปวดเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะใช้ใจนี่แหละใช้สตินี่แหละ สามีก็เข้าใจเรื่องธรรมะดีนะก็พยายามแนะนําว่าให้เธอเนี่ยเป็นผู้ดูนะอย่าเป็นผู้เป็นก็เอาคำสองหรือพ่อคเขียนไปบอกเขานะให้ดูนะใ ห, หน ใ, หหนนให้เห็นความให้เห็นเวทนาเห็นความเจ็บปวดถ้ายังดูเวทนาไม่ได้ก็มาดูจิตนะดูจิตที่มันโกรธจิตที่ผักใสเวทนาจิตที่หงุดหงิดนะอันนี้มันดูง่ายกว่านะ ในการที่เขาหมั่นดูบ่อยๆนะมันก็ทำให้ใจเขาสงบลงข้อดีคือมีตัวช่วยเยอะนะมีมีสามีนะคอยคอยแนะนำคอยเตือนสติแล้วก็มีเสียงธรรมะนะคอยให้เขากลับมาตั้งสติอยู่เรื่อยๆตอน เ, เวลาเขาก็อยู่บ้านนะเพราะว่าหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้ว เขแล้วก็สามีก็ไม่คิดจะยื้อนะก็มาขอใช้ช่วงชีวิตสุดท้ายที่บ้านนะก็ดีนะมาเยี่ยมคนไข้ที่ใกล้าตายแต่ไม่มีสายรอยยงระ ย, ย่างอยู่ใน ส, สิ่งแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคยนะเดี๋ยวนี้เวลาไปเยี่ยมคนป่วยนะก็เห็นนะคนป่วยในสภาพที่มีสายรอยยงระ ย, ย่างเยอะแยะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายนะ ก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อการยื้อชีวิตเอาไว้แต่ว่ารายนี้เขาก็พร้อมนะไม่ไม่ต้องการยื้อชีวิตนะก็ขอจากไปอย่างสงบเพียงแต่ว่ามันสงบได้ยากนะเพราะว่าเจอทุกขเวทนาแต่ก็ได้สายธรรมะช่วยนะก็ทําใจได้ดีขึ้นนะตอนหลังก็สามีเขาก็พออาการเขาหนักมากขึ้นก็ให้พิจารณานะว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นโอกาสดีนะแล้วก็เป็นโอกาสสาคัญนะที่เอาธรรมะข้อนี้มาใชนะ้ให้เห็นเลยนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็ให้ขาพิจารณาบทภาวนาบทหนึ่งนะว่ารูปนี้นะมันจะต้องแตกดับนะวินใจก็จะแตกดับก็ช่างมันนะเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ให้พิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆในะ ต, ตอนเช้าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะตอนสายเมื่อสักวันสื่อนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาจากไปงสงบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าน่ายินดีก็ได้นะเพราะว่าเมื่อจะต้องจากไปนะก็ควรจากไปงสงบอีกรายนึงก็เป็นพ่อของเพื่อนอายุ94ปีนะ ก็เป็นธรรมดาคนจีนนะกลจากธรรมะนะแต่ก็อาศัยลูกนะลูกนี้ก็พึ่งบวชนะบวชในพรรษานี้แหละก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างสงบพอสมควรนะไปร่วมไปเข้าคอสของเทตมาจัดนี่โดยเพราะที่ยุยพุทธที่กัดสมาคมจัดก็หลายครั้งเขาก็ ได้ใช้ความรู้นะได้ใช้ทักษะที่ร่ำเรียนมาในการนำพาพ่อให้ยอมรับความเจ็บป่วยแล้วก็ยอมรับความตายที่จะมาถึงแล้วก็นำพานะญาติโดยเฉพาะภรรยาแล้วก็ลูกๆอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยบางทีก็ทำใจไม่ได้นะแม้ว่าคนป่วยนี่ก็อายุถึงเกือบร้อยปีแล้ว แต่ก็ยังอยากยือ้ออยากลุ้นนะรายนี้ก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลไม่ได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่โรงพยาบาลก็มาที่บ้านนะเราก็ได้มาอยู่ในที่ที่คุ้นเคยคนส่วนใหญ่นะเวลาตายเนี่ยก็อยากจะมาตายที่ที่บ้านหรือว่าที่ที่คุ้นเคยแต่ก็มักจะไม่ค่อยได้ตายในที่ที่ต้องการเท่าไหร่นะเพราะว่าญาติเนี่ย นะอยากจะยื้อเอาไว้ยังยอมรับความตายไม่ได้ทนะั้งที่บางทีบุพการีก็อายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่พร้อมรับความตายหรือกลัวว่าการตายที่บ้านนี่มันจะเป็นอภิมงคลก็ไม่รู้นะก็ไปนะพาคนไข้ไปที่โรงพยบาบาลแล้วก็สภาพแวล้ที่โรงพยบาบาลก็ไม่ใช่ว่าจะสบายเท่าไหร่นะ สายรถยง์ระยางก็ดีนะการเจออาะคอใส่ท่อนะหรือว่าโดยพอะห้อง ICU ที่เปิดไฟตลอด24ชั่วโมงเสียงก็มีเสียงแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องพูดถึงเสียงของคนไข้บางคนที่อยู่ข้างเตียงที่อยู่เตียงข้างๆหรือว่าพยาบาล น, นะที่ช่วยกันมาปสมามาตรวจคนไข้ บางทีก็ต้องตื่นมาทุกสามชั่วโมงนะพยาบาลก็จะมาวัดนอนวัดนี่ก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ไดอ้อยู่สงบสงบเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าญาติเนี่ยเขายอมรับความตายของคนรักได้เนี่ยให้การตายที่บ้านก็ก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เรื่องความเจ็บปวดนะมันก็สามารถจะบรรเทาได้นะแม้ว่าอยู่บ้าน ยิ่งถ้ามีธรรมะเนี่ยเป็นเครื่อง่อเลี้ยงจิตใจแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทำให้สามารถจะไปสงบได้รายนี้ก็ก็ไปสงบเหมือนกันนะลูกชายเขากมา็มารายงานมาเล่าว่าลูกอยอมพ่อเขาก็ไปดีนะทั้ง3มรายนี้ก็เหมือนกันอย่างหนึ่งนะก็คือว่าอุทิศ ร, ร่างกายให้กับ ให้กับโรงเรียนแพทย์นะก็ไม่ต้องอวุ่นวายกับเรื่องการจัดงานศพนะให้โรงพยาบาลมารับไปเลยอันนี้ก็เป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นธรรมดาของชีวิตก็ได้นะที่จะต้องปรากฏกับเราอยู่บ่อยๆเวลาได้ฟังได้ยินเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องเตือนใจให้กับเราได้ดีนะ ไม่ใช่ว่าเฉพาะเตือนใจในเรื่องของความตายหรือว่าเป็นมรณสติให้กับเราเท่านั้นนะแต่มันเป็นการเตือนใจให้เราตระหนักว่าเมื่อถึงเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยนะเราเราพร้อมขนาดไหนไอ้เรื่องการตายเนี่ยหลายคนอาจจะพร้อมนะแต่ว่าความเจ็บป่วยนี่เลก่อนตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะตายทันทีนะเกนเนี่ย จะตายแบบช้าๆนะไม่ได้ตายปรับ ป, ปรับแบบอุบัติเหตุหรือว่าภัยธรรมชาติหรือว่าหัวใจวายนะแต่มันตายแบบโรคที่เรื้อรังตายเพราะความเสื่อมที่ค่อยเกิดขึ้นอย่างช้าๆบางทีก็เป็นเดือนบางทีก็เป็นปีแล้วก็มีทุกขเวทนามากอัน น, นี้ก็เป็นการบ้านที่ต้องถามเรานะจะต้องถามเราพราเรานักปฏิบัติเนี่ย เพียงแค่พร้อมรับความตายนี่มันยังไม่พอนะมันต้องพร้อมเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยหรือว่าความเจ็บป่วยนะซึ่งบางทีมันสร้างทุกขเวทนายิ่งกว่าความตายด้วยซ้ำเราถามตัวเองว่าเออเราพร้อมไหมที่จะรับมือกับมันชีวิตที่ชีวิตของเรานะที่ผ่านมาในอดีตนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลและที่จะดาเนินไปในอนาคตเนี่ย มันได้มีส่วนช่วยให้เราเนี่ยเกิดความพร้อมในการรับมือกับความเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนนะคนที่นะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะเลยเนี่ยถึงเวลาเจ็บปวดหรือว่าล้มปว่วยนี่มันทรมานมากนะหลายคนนี่เอาแจะเที่ยวสนุกสนานนะเรียกว่ามีแต่ความเพลิดเพลินนะพอปวด พอเจ็บป่วยเนี่ยต้องนอนติดเตียงนี่มันทรมานมากแม้แต่นักปฏิบัติธรรมนะอย่างพวกเราก็ตามเนี่ยไอ้ตอนที่เราปฏิบัตินะในสภาพที่ร่างกา ย, ยปกติมันก็ไปไหวนะแต่พอเจ็บป่วยเนี่ยบางทีก็เอาไม่อยู่นะโดยเพราะมัน ม, มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นทุกเวทนา ที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันได้สร้างความพร้อมให้กับเรามากน้อยแค่ไหนนะในการรับมือนะกับความเจ็บปวดนะใครที่พยายามหนีทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลานะที่ไหนที่สบายก็เอาที่ไหนที่ไม่สบายก็หนีอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าแสดงว่าไม่ค่อยได้ฝึกใจให้รู้จักนะรับมือกับทุกขเวทนาเลยนะ เวลาเกิดทุกขเวทนาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเป็นผู้ดูนะมันก็จะเข้าไปเป็นอยู่เรื่อยๆนะเพราะทุกขเวทนานี่มันมีแรงดึงดูดมากนาะมันดูดจิตให้เข้าไปจมนะเกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานขึ้นที่จริงเนี่ยทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสติรับมือกับมันนะมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมาน ทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายทุกทรมานเป็นเรื่องของใจและที่เกิดขึ้นได้เพราะใจเนี่ยนะไม่มีสตินะเจอเกิดเจอทุกขเวทนาทีไรก็แทนที่จะดูมันก็เข้าไปเป็นมันทุกทีนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเอาแต่หนีทุกขเวทนายอยู่เรื่อยๆนะนั่นก็แสดงว่าเราไม่พร้อมเลยนะเราไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการฝึกฝนเลย ในตอนเดียวกันคนที่มีเงื่อนไขกับชีวิตเยอะนะอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างงั้นก็ไม่ได้นะเสียงดังก็ไม่ได้นะแดดร้อนก็ไม่ได้คนพูดไม่ถูกหูก็ไม่ได้นะคนที่มีเงื่อนไขกับชีวิตเยอะเนี่ยนะน่าเป็นห่วงมากเลยนะเวลาเจ็บป่วยเพราะว่ามันจะมีทุกจะมีความทุกข์ทรมานมากนะอยู่ในห้อง ICU ก็อย่างที่เราอย่างที่พูดมาสักครู่นะเสียงดังนะ มันก็ไม่ดำเอตโลนะแต่มันมีเสียงมารบกวนอยู่เรื่อยๆนะแดดที่ไม่ใช่แดดไฟไฟที่เปิดตลอดเวลาถ้าคนที่มีเงื่อนไขกับชีวิตเยอะเนี่ยนะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบโรงพยาบาลอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดทุกขเวทนามากแล้วทุกทรมานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำนวนชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยนะจะต้องนะต้องฝึกเอาไว้นะ ใช้ชีวิต ท, ที่ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้นะเช่นความสงบเย็นนะหรือว่าการพ้นทุกข์ในขาที่ยังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะรับมือกับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในมาข้างหน้ามันรอเราอยู่นะอย่าไปประมาทนะมันรอเราอยู่ข้างหน้าและถ้าเราไม่ได้ฝึกใจเอาไว้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจริญสติหรือว่าการาการเจริญปัญญานะพอถึงเวลาเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็มีแต่ความทุกข์ทรมานแล้วถึงตอง น, นั้นก็ก็จะตีโพยตีพายโวยวายนะกลดาชตากรรมหรือรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมทั้งที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้ฝึกได้ราได้ปฏิบัตินะได้สร้างสม กําลังนะกําลังจิตได้สร้างสมคุณธรรมเพื่อที่จะรับมือนะกับความเจ็บปวดหรือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่เพราะความประมาทนะทำให้ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเป็นอย่างนี้เยอะนะแม้กระทั่งในหมู่นักภาวนาในหมู่นักปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งพระเองนะพระเนี่ยจํานวนมากในเวลาเจ็บปวดหรือเวลา ไม่สบายเนี่ยก็ร้องโวยวายนะควรวญครางเนี่ยอันนี้ก็มีคนเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆนะพยาบาลก็มาเล่าาบางทีก็สงสัยไนดะ้พระท่านหนึ่งร้องควรวญครางขนาดนี้บางทีร้องยิ่งกว่าคารวาสจริงนะก็แสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตของพระสมัยนี้สะดวกสบายมากนะ แล้วยิงพระเนี่ยนะมีเรียกว่าอยู่ในสถานทีที่สูงเงื่อนไขของชีวิตก็เยอะมากคือเรื่อยๆเจ้าโน่นเจ้านี่นะไม่ค่อยได้ฝึกใจเหมือนญาติโยมญาติโยมนี่เขาต้องนะฝึกใจอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับนะแต่พระเราบางทีก็ไม่ยอมนะจะต้องให้ได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่สูงนะมีคนตามใจเยอะนะก็เลย ชีวิตก็เลยมีเงื่อนไขยเยอะพอมีเงื่อนไขยเยอะแล้วไอ้เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นนะพอล้มป่วยเนี่ยต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรตามใจได้เนเื่องจากไม่ได้ฝึกใจไว้เลยเนี่ยมันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานมากนะนิสัยคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่ได้ฝึก หัดขัดกลาเนี่ยตอนนี้นี่นะน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าคนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ขี้โกรธเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยนะหรือว่าเป็นคนโลภเนี่ยพอเวลาป่วยเนี่ยนะไอ้กิเลส ต, ตัวนี้เนี่ยกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกําลังมากเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเลวแรงน้อยลงนะแต่กําลังของกิเลสจะมากขึ้น อันนี้ใสที่ไม่ค่อยได้แสดงออกเนี่ยตอนตอนสุขสบายดีเนี่ยพอป่วยเนี่ยมันจะมันจะอาราว่าเลยทีเดียวนะมันจะอาราว่าเช่นบางคนที่ขี้โกรธเนี่ยนะพอป่วยจะโกรธมากนะคนที่ชอบเรียกร้องเอาโน่นเอานี้ในเวลาปกติเนี่ยพอป่วยเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าสติมันอ่อนนะมนเหมือนกับเมืองนะเมืองที่ เคยมีทหารยามนะเฝ้าเมืองประตูเมืองเอาไว้แต่ว่าต่อมาทหารเนี่ยมันอ่อนแอหรือไม่มีเลยนะที่จะเฝ้าเมืองศัตรูมันก็กลูกเข้าไปนะเข้าไปในเมืองเข้าไปทำลายเมืองจนย่อยยับคนป่วยหลายคนเป็นแบบนี้นะคือว่าตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยนิสัยเดิมๆ เ, เนี่ยก็ไม่คิดจะขัดเกลาเลยพอ พอป่วยเนี่ยไอ้นิสัยนั่นแหละไอ้กิเลสเหล่านั้นแหละนะที่มันจะคอยมาเล่นงานเออะโวยวายนะกระสับกระส่ายอาราวาเนี่ยอันนี้เนี่ยมีเห็นบ่อยๆนะ้เรองถามเราตัวเรานะว่าเออตัวเราเนี่ยมันมีมันมีนิสัยอะไรหรือเปล่านะที่มันจะทาให้เป็นปัญหาในยามที่เราเจ็บป่วยนะ แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวนะบางส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าตัวเป็นคนขี้งุงุดงิดเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีเงื่อนไขเยอะชอบเรียกร้องเอาโน่นเอานี้ไม่ค่อยรู้ตัวนะมันจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนที่มีเมตตาอันนี้เพราะว่าไม่ไม่ค่อยหมั่นมองตัวเองเท่าไหร่และเพราะไม่หมั่นมองตัวไม่หมั่นดูใจนี่แหละนะมันถึงอ่ากิเลสเรานี้มันถึงเล่นงานครอบงามจิตใจได้นะ บางทีก็ต้องอาศัยกกลยนันนมิตนนะคอยเตือนคอยชี้อันนี้พระเจ้าถึงบอกว่ากกลยนันนมิตนเนี่ยคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ถ้าเราคอยฟังคนรอบข้างเราก็อาจจะรู้ว่าเรามีนิสัยอย่างไรนะซึ่งก่อความทุกข์ให้กับเราเองแล้วก็จะก่อความทุกข์ให้กับเราเองในวันข้างหน้าแต่ถ้ากว่าไม่ยอมมองเลยนะใครชี้อะไรมาก็ปฏิเสธก็กาวแก้ตัวนะ หรือไม่ก็เพลงโทษคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็มีจุดหมายปลายทางที่ไม่ค่อยดีนะนั่นเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะจุดหมายปลายทางข้างหน้าถ้เวลาเจ็บป่วยนี่มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแล้วเวลาจบก็จบไม่สวยเหมือนกันเอออย่าว่าอย่าคิดว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วนี่คิดว่าจะจะตายดีหรือว่าจะรับมือความเจ็บป่วยได้นะก็เจ อ, อมาเยอะแล้วเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยบางที ทห้ทมาที่เรียนมานี่เอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะส่วนใหญ่เอาไว้เอาไว้สอนคนเอาไว้เอาไว้สอนคนอื่นนะแต่ไม่ค่อยได้สอนตัวเองเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเรื่องการเจริญสติเนี่ยการดูนะดูกายดูใจเนี่ยสำคัญมากทีเดียวถ้าเราฝึกนะดูฝึกเป็นผู้ดูนะเฉพาะวิชานี้วิช า, ชาเดียวเนี่ยก็สามารถจะใช้รับมือกับ นะความเจ็บป่วยหรือว่าทุกขเวทนาได้ดีเลยนะแต่เพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกนะหรือว่าประมาทนะคิดว่าเออเราก็ฝึกอยู่แล้วในชีวิตประจาวันนะแต่ที่จริงเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกนะเวลาต้องเจอกับทุกขเวทนาทุกขเวทนาจริงๆนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรารับมือกับทุกขเวทนาได้มากแค่ไหนเนี่ยก็ต้องเข้าไปหาทุกขเวทนาบ้างนะ ไม่ใช่คอยหลบมาอยู่แต่ในที่ที่ปลอดภัยสบายนะต้องเข้าไปเจอในที่ที่มันลำบากนะอย่างธรรมญาตรา ท, ที่จัดทุกปีทุกปีเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ได้ไปฝึกนะได้ไปดูว่าเออถ้าเราอยู่ในที่ที่มันแดดร้อนนะต้องนอนกลางดิๆกลางทรายทางลำบากนะบางคนก็ฝึกด้ดยการถอดรองเท้าเดินเหยียบย่ำในที่ที่เป็นกรวดนะให้แดดมันเผาหัวเนะี่ย ก็เป็นโอกาสที่ได้ฝึกนะดูว่าเออถ้าเจอทุกขเวทนาเนี่ยเรารับมือมันได้ไหมสติที่เราฝึกมาที่วัดเนี่ยเอามาใช้กับทุกขเวทนาได้หรือเปล่าแดดร้อนกายร้อนใจไม่ร้อนนี่ทําได้ไหมนะกายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยนี่ทําได้ไหมเนะี่ยมันต้องเข้าไปฝึกแบบนี้นะก็คือฝึกโดยการเข้าไปเจอทุกขเวทนาบ้างนะพระสมัยก่อนที่ท่านถึงมีประเพณีทุดดงนะ ไม่ใช่อยู่แต่ในวัดนะไม่ใช่อยู่แต่ในกุฏินะออกไปเจอความทุกข์ยากนะเจอความลำบากเราก็ดูว่าไอ้วิชากรรมฐานที่ได้ฝึกมาเนี่ยนะเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็จะเห็นนะว่าอ๋อเรายังบกพร่องตรงนี้นะก็จะไปแก้ไขที่จริงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นมันเป็นแบบฝึกหัดอย่างนึงนะก็จะดีมากทีเดียวนะ มันไม่มีแบบฝึกหัดดีอะไรที่ดีเท่าความเจ็บป่วยคือพอมันเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเราก็ดูว่าเออเราใช้สติรับมือกับมันได้ไหมนะหรือว่าเราเอาแต่บน่นตีโพยตีพายโวยวายรู้ว่ารับมือไม่ไหวก็ยังดีนะก็ยังเห็นว่าเออเรามีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขนะล้มป่วยแล้วนะใจนี่มันมันไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเลยมันว้าวุ่นวุ่นวายอันนี้เรียกว่าสอบตกนะ แต่ก็ดีนะสอบตกเราก็รู้ว่าเราตกตรงไหนก็ได้กลับไปแก้ไขไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองสอบตกไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถถึงเวลาก็เจ็บป่วยแบบป่วยหนักนะป่วยทีเดียวตายเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่านะไม่มีโอกาสได้ตั้งหลักไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวแต่จริงๆถ้าตอนที่ป่วยเนี่ยนะมันก็ยังมีโอกาสนะ อย่างโยมผู้หญิงคนที่เล่าเนี่ยนะก็บอกเขาว่าเนี่ยช่วงเวาที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ได้หลิงกรรมาฐานนะนะถึงแม้ว่าจะที่แรกจะรับมือมันไม่ไหวนะแต่ว่าก็ได้ฝึกไปฝึกไปฝึกจากของจริงนะฝึกจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วท่าที่ทราบมาก็ดูเหมือนว่าเธอก็สามารถจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแทนที่จะโวยวายตีโพยตีพายก็ใช้ความเจ็บป่วยเป็นประโยชน์ ให้เวลาเราเจอความเจ็บป่วยเนี่ยให้ให้ถือว่าเป็นของดีนะมันมาเตือนให้เราฉลาดนะมันมาเตือนให้เราฉลาดในเรื่องไตรลักษณ์มันมาเตือนให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งว่องไวในเรื่องสติปัฏฐานยิ่งถ้าเราไม่เพียงแต่มีสตินะแตมีปัญญาจนเข้าใจนะเรื่องรูปเรื่องนามนะก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ที่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่เราปวดนะมันเป็นมันเป็นรูปที่ปวดนะใจไม่ได้ปวดด้วยนะรูปปวดก็เป็นเรื่องของมันไปนะ ใจอย่าปวดใจอย่าทุกข์ก็แล้วกันถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยนะมันก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ปวดใจไม่ปว่วยก็ต้องนะพยายามฝึกเอาไว้นะใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้ชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกให้เตรียมตัวรับมือความเจ็บป่วยและความตายอย่าเป็นคนมีเงื่อนไขยเยอะนะให้ให้มองว่าอะไรอะไรก็ได้เจออะไรก็ช่างมันช่างมันไม่ใช่ววยวายตีโพยตีพายอย่าเรียกร้องเยอะ คนที่เรียกร้องเยอะเนี่ยเงื้อถ่ายมากเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเจ็บป่วยนี่จะทุกขรมานมากแลเะเพอเพลก็ตายไม่สงบเราใช้นเนี่อพูดกันเท่า น, นี้นะ